ดูสังคมทุกท่านมันมีบางสิ่งที่เราทุกคนต้องประสบนะไม่ช้าก็เร็วนั่นคือความตายที่เราเวลาได้สวดมนต์หรือทำวัตเย็นเนี่ยก็จะมีข้อความตอนนี้ว่าตอนเช้าหราือทวัตเช้าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกอย่า ง, องเอาแล้ว เป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเรื่องหน้าแลนะ้วความทุกข์เป็นเรื่องหน้าเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเช่นความแย่ความเจ็บความป่วยความพลาดพลาดสูญเสียในระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะมีความสุขมีความสําเร็จแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จบสิ้นเพราะ ความตายมาพาทุกอย่างไปจากเราหรือผู้อย่างน่นอวความตายพาเราไปจากโลกนี้เวลาพูดถึงความตายเนี่ยผู้คนก็รู้สึกใจประหวังหวัดกลัวเพราะว่าในส่วนลึกของคนเราเนี่ย ย่องปรารถนาความเป็นนามาตย์ปรารถนาความสือเนื่องของชีวิตอันนี้เป็นเป็นความปรารถนาของจิตไร้สองนึกของเราเลยทีเดียวนะแต่วันนี้เนี่ยในเมื่อเราต้องตายเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะาเผชิญกับมันอย่างไร เผชิญโดยใจไม่ทุกคำตอบก็คือการหมั่นเจริมนอนนักสกติหรือว่ามรณานิสตินี่เป็นวิธีการหนึ่งไม่ใช่วิธีการเดียวที่ทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับความตายได้ไม่ใช่เพียงแค่ไม่ทุก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 ความสงสัยหรือสงสวมันช่วยทําให้เราอยู่ดีได้อย่างไรแต่นี่ก็เดี๋ยวก็จะอธิบายต่อไปแต่กนหนึ่งก็ต้องถามกันว่ า, าก็เขาเข้าใจไหมว่ามรนาสติหรือมรนัสติเนี่ยมันคืออะไรมรนัสติหรือมรานาสติเป็นกรรมฐานแบบนี้นะหรือเป็นวิธีภาวนาแบบนี้ กรรมฐานในพุทธศาสนาเนี่ยมีเยอะนะพระกัดห า, า, า, าจารย์ท่านก็จำแนกเอาไว้ว่ามีสี่สิบวิธีนะสี่สิวิธีเฉพาะเรื่องอนุมณสติเนี่ยอย่างเดียวก็สิบเข้าไปนะอุรสติแปว่าเราลึกงถึงเราลึกงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราสวนวันสดครู่นี่ก็เป็นการเจริญนะพุทธานุสติธรรมมนุสติสัารัุสติ แต่การเจริญพุทธธรรุสติทำมาธรรมมุสตีทำมาธรุสติสตก็สำคัญอีกอย่างไม่ใช่แค่ส่วนบนอย่างเดียวการที่เรามีพระพุทธรูปแล้วก็เป็นเครื่องระลึกนึกถึงนะในพุทธคุณนะอันนี้ก็เป็นพุทธธรรุสตีได้นอกจากพระพุทธธําประสงค์แล้วเนี่ยการระลึกถึงสีหรือความนีกคิเราได้ทําสีได้สติ การระลึลกถึงเทวดาซึ่งเป็นที่ตั้งศรัทธาก็เป็นนิสติอย่างหนึ่งและมรณานิสติหรือว่าเลชันซาลามรณะนิสติเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่และ ว, วิธีก็มีจุดหมายต่างกันพุทธาธรรมมาสังคังมณสติเนี่ยจุดหมายที่ทำให้เราเกิดศรัทธาในพระนักไตรเพื่อจะได้มีจิตใจมั่นคงในการทําความดี ทำให้เกิดกิจิประมุส่วนรอนาทุสติหรือมรนรนสติเนี่ยวัตุประสงค์คือเพื่อให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากในการช่วยทำให้เรามีชีวิตที่ดีนานเพราะถ้าเราประมาทเมื่อไหร่เราก็สามารถจะปล่อยชีวิตไปในทางตกต่าได้ หรอเพลิดเพลินในความสุขโ ด, ดยเพาะการรมสุขซึ่งมีสเสน่ห์ในการอาดึงดูด ร, รวมทั้งครอบงำโดยทั้งมีกําลังในการคล่องงาเจิต ด, ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยใจให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงาำของการมสุขหรือว่าความสุขแบบโลกโลกมันก็สามารถทําให้ชีวิตเราเนี่ยยันแย่อาจจะทําให้เราเนี่ย กล้าทาชั่วกล้ากิดศีลอย่างคนที่โกงคอร์รัปชั่นหรือว่าไปลักขโมยหรือว่าฆ่าผู้คนเนี่ยนะ <c oughs> ก็เกิดจากการที่ไปหลงไหลในทรัพย์สิสเนเงินทองในความสำเร็จในชื่อเสีงยงกิจยศในอำนาจพอลงไหลมากบาก็ทำให้อยากจะพร้อมที่จะกำจัดคนที่ขัดขวาง หรือพร้อมที่จะไปแย้งชิงของเข้ามาอันนี้ก็ทำให้พลังไปในทางต่ำชีวิตก็สามารถจะเข้าสู่อาบายภยูมิได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามรณะสตินเนี่ยอันนี้สมอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากก็คือทำให้เราเนี่ยคุ้นชินกับความตาย มรณะรณะสติเนี่ยทําห้เราคุ้นชินกับความตายได้อย่างไรก็ต้องมาอธิบายเพิ่มเติมว่ามรณะสติเนี่ ย, เ, ยเขาทำอย่างไรมรณะสติเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือการระลึก ถ, ถึงความจริงหรือการจดหนักถึงความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนความจริงนั่นก็คือว่าเราทุกคนต้องตาย ในความแน่นอนนั้นก็มีความไม่แน่นอนสูงมากก็คือเราไม่รู้เลยเราจะตายเมื่อไร่อาจจะตายสามสิบปีข้างหน้ายี่สิบปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าหรือปีหน้าทีศหน้าเมื่อจะตายคืนนี้ก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนนี่คือนี่คือส่วนที่หนึ่งนะของการเจเริญร้อนนสติคือเราได้ถึงความแน่นอนว่าเราต้องตายแล้วก็ไมนน่ไม่แน่นอนว่า จะ ต, ตายที่ไหนเมื่อไหร่ส่วนที่สองนะก็คือการพิจรารณาต่อไปว่าหรือถามตัวเองว่าถ้าเกิดเราจะตายพรุ่งนี้คืนนี้เราพร้อมหรื อ, อยังเราพร้อมที่จะตายหรื อ, อยังถ้าเกิดเราต้องตายคืนนี้พรุ่งนี้หรือเร็วๆนี้หมายความว่าเราทําดีมาพอหรื อ, อยังนะเราทําหน้าที่เสร็จสิ้นหรื อ, อยังหน้าที่นี้ อาจจะหมายถึงหน้าที่ในฐานะลูกในฐานะพ่อแม่ในฐานะบุคคลารีในฐานะคนของศาสนาอาจจะรวมถึงในฐานะคนของหน่วยงายขององค์กรด้วยก็ได้หน้าที่เหล่านี้เราทําเสร็จสิ้นหรื อ, อยังนีอที่ข้อที่สอข้อที่สามคือว่าเราพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งอรือปล่าพรเวลาตายเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเรา ต้องรลาดจากทุกอย่างที่เคยมีและเคยเป็นหรือที่กาลังมีและกาลังเป็นอทุกอย่างเลยมีแค่สองสิ่งที่จะตามติดไปในกบดานก็คือบุญและบาปนะแค่นั้นเองนะบุญและบาปนั่นแหละที่เหลือนี้เอาไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติคนรักลูกพ่อแม่บริษัทบริวาร นี่คื อ, อวิธีการเจริญร้อนนักสติหรือว่าเป็นแนวทางคือจะทำยังไงก็ได้เนี่ยแต่ว่าให้มีสองส่วนนี้คือหนึ่งความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราซึ่งคือความแน่นอนและความไม่ได้นอนสองการถามตัวเองสำรวจตัวเองว่าเราพร้อมหรือยัง จะต้องตายในวันนี้วันพรุ่งนีนถ่ถ้าว่าทําไม่ครบเนี่ยนะอาจจะทําแค่ข้อเดียวก็คือว่าโวยจะต้องตายแน่นอนเดี๋ยวว่าคนที่ป่วยป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะความตายนี่มันมาปรากฏชัดมากเลยนะว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนหรือบางคนอาจจะยังหนุนยังสาวอยู่แล้วก็ไม่ถึงความตายของตัวเองไม่ต้องเกิดขึ้นจิตใจก็จะขดขู่หอเดียวได้ อันนี้เพราะว่าทําไม่เป็นหรือทาไม่ถูกหรือว่าทําไม่ครบถ้วนถ้าว่าทําส่วนที่สองด้วยเนี่ยคือถามตัโองว่าเราพร้อมไหมเราทําความดีมามากพอหรือยังเราทําหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังเราพร้อมจะปล่อยวางสิ่งต่างๆหรือยังเนี่ยถ้ามีส่วนที่สองนี้ด้วยเนี่ยไม่ทําให้เกิดความสื่อนกวายทําให้เกิดความกระตือรือร้ น, นทําให้เกิดสิ่งที่ เราจะเรียว่าสังเวชหรือสังเวชะสังเวชะเนี่ยภาษาบาลีหมายถึงความรู้สึกตื่นรู้สึกกระตุ้นเราให้เร่งผลฝ่ายไม่ใช่แปลว่าสมเทศเวทนาหรือว่าหดหู่อย่างที่เราใช้ว่าสลสังเวชเนี่ยอันนี้มันไม่มันเป็นสังเวชแบบไทยไม่ใช่สังเวชแบบแบบธรรมะแบบบางอย่างสังเวชหรือสังเวชะที่อยู่ในสังเวชชนิดสถานเนี่ย สี่ตำบลอย่างความหมายเกินนี้ที่เราไปสังเวชสถานเพื่อกระตุ้นให้เราเกิดความไม่ประมาทเพื่อกระตุ้นให้เราเกิดความผลวิ้ในการทําความเพียรเพื่อการบ้นทุกเราไปสังเวชสถานไม่ใช่เพื่อให้เกิดสลดสังเวชแต่เพื่อเกิดความตื่นตัวในการทําความเพียรในการปฏิบัติธรรมไปสังเว DS, ชสถานแล้วเนี้ยไม่เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเลยนะถูกว่ไปไม่ถึงนะ ถ้าไปแล้วรูสร้สึกสลดสังเวชนี้ก็กินเหมืนกันอันนี้คือจุนหมายของสังเวชในสถานซึ่งสังเวชชาตินี้เนี่ยก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ไหมเราจะไม่เคยไปเลยก็โดยการที่เราเจริญมรณาสติอย่างถูกต้องอนนี้อาจารย์มาได้พูดไว้ตอนต้นว่ามรณาสติเนี่ยนะมันช่วยทําให้เราเนี่ยตายดีแล้วก็อยู่ดีหมยายความว่าอย่างไร เอาตายดีก่อนนะคือเมื่อเราจเจริญร้อนนักสติบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเตื่นตัวต่อความตายน้อยลงเพราะเราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ความตายใครความตายของเราใหม่ๆ ม, มันก็จะต่อต้านจิตใจนจะต่อต้านแต่พอเราคิดอยู่บ่อยๆคิดบ่อยๆเนี่ยจิตใจมัก็จะยินยอมรับได้ว่าเนี่คือความจริงที่ต้องเกิดขึ้นกับเรา แล้วเมื่อแก่ใจเราเนี่ยเริ่มคุ้นชินความตายเนี่ยเราจะกลัวความตายน้อยลงการกลัวความตายน้อยลงเนี่ยมันเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทําให้เราตายดีได้เพราะว่าถ้าเกิดกลัวตื่นตระหนกนบในเวลาใกล้จะตายเนี่ยนยกินเป็นกุศลนอกจากทําให้ทุรนทุรายก่อนจะตายแล้วเนี่ย เนื่องจากจิตเป็นอุศลนขณะที่ตายเนี่ยก็จะไปอบายได้เพราะว่าสุขติทุกติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตสิ้ท้ายภาษาบาลีเขใช้คบว่ามรณสัวิถีจิตหรือบางทีเราก็ใช้คำว่าอสักรรมมาแทนได้เหมือนกันอาสนกรรมเพว่ากรรมจวนเจงหรือว่าความรู้สึกมาถึงสภาะของจิตก่อนที่จะตายเนี่ย เป็นผู้สนกับผู้ศนถ้าอผู้เข้าไปทุกติถ้าผู้เข้าไปสุกติอันนี้ความกลัวมันก็เป็นตัวนี้ที่ทำให้จิตเป็นผู้สนได้เดี๋ยวเพราะเมื่ อ, อตรลังตายาแต่ถ้าว่าเราเจอเรยมอนสุกติบ่อยเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มคุ้นชินความตายอยอมรับความตายได้มากขึ้นเมื่อถึงเวลาความตายมาประชิดตัวแล้วก็ไม่ตื่นตกใจมากอาจจะตื่นตกใจชักพัาเราตั้งสติได้ มันก็ยอมรับเพราะว่าเราได้เจริญนอนนัสติเป็นประจําก็ทําให้เราสามารถที่จะเผชิญความตายได้โดยที่ไม่ตื่นตระหนกไม่สะท้านอันนี้ก็ทําให้ไม่ทุรนทุรายเวลาตายทําให้ไม่เกิดภาวะที่เรียกว่าหลงตายหลงตายเนี่ยเป็นสามโบราณคําโบราณแต่ว่าตายแบบไม่มีสติแต่แ บ, บ่ทุรนทุราย ใจหลงตายนี่ก็ถืวตายไม่ดีนะการจรามรนักสติเนี่ยหนึ่งในเหมือการซอมตายคนเราจะทําอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยมันต้องซ้อมนะมันต้องซอ้อมสมัยโยมนี่ต้องไปพูดต่อนหน้าคนเป็นหมื่นเนี่ยนะไม่เคยมาก่อนเลยพูดต่อนหน้าคนมากมายขนาดนั้นนะจะทำยังไงก็ต้องซอ้อมเช่นซ้อมพูดหน้ากระจกโนะ่นต้นซ้อมพูดที่หน้ากระจก หลังจากนั้นก็เริ่มซ้อมพูดต่อนหน้าคนรู้จักสักสิบคนยี่สิบคนหลังจากนั้นเรื่องเนี้ยก็ไปพูดต่อนหน้าคนสักพันคนนะเพื่อทําให้ให้เกิดความคุ้นความชินหรือเกิดความทําให้ความลำบาน้อยลงมันต้องซ้อมแบบนี้แล้วถึงเวลาที่ต้องไปขึ้นเวทีเช่นไปพูดส อ, อนหน้าคนที่มาชุมนุมที่ ส ถ, ส, สถานพุทธบรมราชานุสรณ์หลายมุมเราก็จะประ ม, ามา่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราเคยซ้อมมาของถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยขึ้นเวทีอันเลยฉันได้ก็ฉันนั้นความตายเราไม่เคยเจอแต่ว่าเราสามารถจะซ้อมได้ซ้อมกับในสถานการณ์ที่สมมุติซ้อมสมสมมติว่าเราตายนะเรียกว่าซ้อมตาย ตอนนี้เนี่ยถ้าเราถ้าเราซ้อมตายบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เรากลัวน้อยลงพอถึงเวลาเป็นถึงเวลาตายจริงๆเนี่ยนะเราก็จะไม่ตื่นตระหนกมาอันนี้คือประโยชน์อาที่เห็นได้ชัดเลยนะของการเจริญมรร ส, สติคือช่วยทําให้เราตายดีตายดีในความหมายที่ว่าเราไม่กลัวนะเราไม่ตื่นตระหนกหรือถึงนี้ก็น้อยลง เพาะวเรา้ผ่านการซ้อมมาใรรนรายการนี้ในกระบวนการเจริญรสนิสติเนี่ยถ้าเราเจริญรสนิสติถูกต้องเนี่ยมันจะถูกให้เรารู้จักการปล่อยวางเมื่อเราฝึกปล่อยวางบ่อยๆปล่อยบ่อยๆเนี่ยถึงเวลาเราร่วมตายเนี่ยเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นอุปสรรคทําไม่ตายดีได้ยากเนี่ยหนึ่งความกลัวนะสองความยึดติดความหวงแหน ความอาลัยปล่อยวางไม่ได้ถ้าเจอมนต์นัสเดียดีเนี่ยนะเราก็จะเรียนรู้ถึงการปล่อยวางหรือเรียนรู้ถึงการที่ทจะทําใจยอมรับความพัราชไม่ใช่การทับสมบัติแต่ว่า พ, พักราชจากคนรักเช่นลูกนะพ่อแม่สามีภรรยาเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราต้องตายแล้วเราต้องพักราชทุก อ, อย่างแล้วแนะเนื่องจากเราได้จุดมาล่อยถึงมาเ ป, ปบ่อยเนี่ยถึงเวลาเราก็จะปล่อยวาง ไ, ได้ง่าย ถ้าปล่อยว่าไม่ได้เกิจะอะไรขึ้นนะก็จะมีการทุรนทุรายมองคนตาค้างจนตายตาไม่ยอมปิดเลยเนะพราะห่วงลูกห่วงลูกเนี่ยก่อนตายเนี่ยแน่ชื่อเดนเมเรก็ถามแต่ลูกคนสุดท้องอายุสิบขวบหวงลูกเพราะว่าพี่ชายี่ชอสองคนเนี่ยติดยาแล้วก็ติดคุกหวงว่าลูกคนสุดท้อง จะเป็นเหมือนที่ชายถาม่นั่นแหละพอตายตาก็เปิดโรงพยาบาลยาปิดเท่าไหร่ก็ปิดไม่ได้บรรลุช้าเนี่ยญาตมารับศพนะเห็นตาเปิดก็เลยจุดธูปแล้วก็บอกนะกับวินแดนผู้ตายว่าหลานหลานคนนี้ไม่ต้องห่วงนะฉันจะรับไปดูแลเองพอพูดเสร็จเนี่ยนะปิดเอกอบต า, ก, ตา ก, ก็ปิดได้นะ อันนี้กูไม่ใช่ความบังเอิญนะมึงก็เป็นเพราะว่าพู้ตายยังเตรียมห่วงลูกแต่ก็มีญาติเนี่ยมาพูดให้ใคลายความตนนึงมือตาก็ปิดได้นั้นอาการแบบนี้เนี่ยเรียกว่าตายตาแม่หลักคือตายไม่ตายไม่ดีตายไ ม, ตยไ ม, ม่ต้องความหวงลูกต้องกังวงเมียนี่คุณลงนเนีแกยากจนมากนะก่อนจะตายนเนี่ยแกก็บอกเดียว่า ถ้าฉันตายเนี่ยอย่าไปกู้นี่ยืมสินมาทำงานศพหรือแม้แต่ซื้อโลงนยไม่มีเงินก็เอาศพยกให้บทพิสยัยแล้วแกก็เฝ้าพร่ำย้ำเตือนภรรยายเนี่ยว่าอย่าไปยืมเงินมาทำงานศพเด็ดขาดพอตายนี่ตายก็เปิดไม่ปิดบางเอิญเนี่ยโรงพยาบาลที่ดูแลเคสนี้เนี่ย ก็รับรู้ถึงความหนุนยังขคุณลุงที่มันตลอดก็พยายามบินเต้นสวัสดิการของโรงพยาบาลจึงมาท่องแดนอ่นางนั้นก่อนประมาณสองหมุนพอรู้ว่าผู้ตายตาเปิดแล้วก็บอกภรรยาบอกคุณป้าเนี่ยป้ารีไ่ไปบอกไปบอกลุงเนาะว่าไม่เป็นหี้แล้วได้เงินมาแล้วสองหมืน่นทำศพได้นะป้าแกก็รีบไปเลยนะแล้วก็ไปบอกขา่าวบอก หลวงที่ตายไปแล้วไหนวาไม่ต้องห่วงแล้วไม่เป็นหนี้แล้วมีเงินทาศพแล้วเสร็จแล้วก็อามือเนี่ยลูปตาก็ตาปิดเราจะเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆบางคนที่ตายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าตาไม่ยอมปิดเ <c oughs> พราะมีความห่วงกังวล <c oughs> หรือบางคนยังไม่ตายเลยแต่ว่าแต่ว่าประสัทกระสายทุรนทุราย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 ยังยังยึดติดยังปล่อยวางไม่ได้เมื่อปล่อยวางไม่ได้ก็ต้องมีการต่อสู้ขัดขืความตาแต่ถ้าเกิดว่าเราจเจริญรอนักสติบ่อยๆนี่นะถ้าเราเจริญรอนักสติเป็นเนี่ยเราจะปล่อยวางได้ง่ายถึงเวลาปล่อยวางเราก็ปล่อยวางได้แล้วก็พร้อมผ่าอันนี้คืออันที่ส่งนะว่าการจเจริญรอนักสติทําให้ตายดีอันนี้พูดแบบยอ่อๆ น, นี้เจอรมอนัสตงจริงๆนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ตายดีมันทําช่วยให้อยู่ดีดูยังมีความหมายและมีความสุข ด, ด้วยตายดีเนี่ยนะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาไหร่อาจจะสิบปียี่สิบปีข้างหน้าก็ได้แต่ในขณะที่ยังไม่ตายเนี่ยในขณะที่ยังมีลมหายใจใ น, นที่งมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราเจอรมอนัสติยงเงือนนะไันทาให้เราเนี่ยมีสิ่งกระตุ้นเตือน ให้หมันทำความดีเช่นเมื่อเร า, จาเจอกับมนุษย์เราถามจนว่าเราทำความดีมดพอหรือยังถ้าเราไม่ทำความดีไม่พอเราก็ต้องพยายามทำความดีมากขึ้นหลายคนเนี่ยเนื่องจากไม่เคยเราลึกถึงความตายก็เผลอคิว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่คำฟ้าพฉะนั้นก็ใช้ชีวิตไปนะเพื่อการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนะเพื่อ ความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในทางโลกหรือว่าเพื่อความสุกสนานเที่ยวแต่สนุกสนานเหมือนกับว่าจะไม่มีวันตายหรือว่าเที่ยวเต่สนุกสนานเหมือนกับว่าจะไม่มีวันเจ็บนี่หรืันปวดแต่พอเราเลิถึงความตายขึ้นมาเนี่ยรือเฉพาะเมื่อเราเจริ่มนอนนัสสติเมื่อหรือเมื่อเราได้เห็นความตายของผู้อย่า แต่เป็นความตายของเพื่อนเร า, าหนุมอยู่เลยนุย่มสาวอยู่เลยอายุ20ตายเท่านั้นเพราะมันมันจะสะเทือนใจมากเลยรู้เลยว่าในสักวันมึงเราก็จะเป็นอย่างเขานะหลายคนชีวิตก็เปลี่ยนเลยนะจากที่เคยใช้ชีวิตแบบส ม, ม, เมเปรย์เทนเมาได้สาลัางเริ่มกลับมาใช้ชีวิตยอย่างมีคุณค่ามีความหมายการจรุลนวลสติเนี่ยมันทําให้เราเกิดความไม่ประมาทแล้วความไม่ประมาทนี่ย เป็นคําสอนสุดท้ายของรูจ้าวนะปัจฉิมโอวานรูจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์จะไปนิพพานเนี่ ย, รรยพระองค์สอนมีคําสอนแค่สองบรรทัดต่างจากผสมมัทศนานผสมมัทศนานนี่ประมาณสิหน้ า, นะ า, าธรรมจักรโพธิสูตรแต่ปัจฉิมโอวานนี่ยสองบรรทัดสังขารทั้งหลายมีความสื่อมไปเป็นธรรมดาทั้งหลายทั้งส่างทำให้ประมายถึงค้อมสุข คนเราเวลาจะตายเราต้องพูดในสิ่งที่เรากลันกรองมาว่าสําคัญและพระพุทธเจ้าก็กลันกรองมาถึงแค่สองมันคับและวรพุทธเจ้าพูดถึงความไม่ประมาทโดยอ้างอะไรอ้างว่าสังขารทัง้งหลายมันไม่เที่ยงว่าจะธรรมาสังสารสังข า, ขาไรไม่เที่ยงคือว่ามันจะต้องแกง่ไมต้องเจ็บและมันต้องตายโดยที่พระองค์ก็กําลังจะเป็นอย่างนั้นก็คือกำลังจะปฏิบัาน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 ที่จะไม่เอาแต่อหาอเงินหาทองจนลืมตัวจนลืมการทำความดีหรือว่าสนุกสนานจนไม่ได้นึกถึงการใช้ชีวิตมีคุณคาได้พอจะบอกว่าแล้วก็เดี่ว่าเออเรื่องความดีก็ดีนะเรื่องทาบุญก็ดีนะเรื่องปฏิบัติธรรมก็ดีนะจะพอทําตอนแก่ได้ไหมใช่หไหมแต่ถ้าเราเจรมนานัรสคติเนี่ยเราจะรู้เลยว่า อาจจะไม่ได้แก่ก็ได้นะใช่ไหมบางท่านต้องรีบทำหลานบอกว่าลูกกันนะเอาไว้อีกสิบปีได้ไหมตอนนี้ขอทางานของวนนี้งานดีมากเลยนะขอกอบตัวอย่างะขอทางานอตอนนี้เนี่ยุล ง, งาน ม, มันเข้ามาเยอะเลยนะอีกสิบปีเนี่ยค่อยค่อยให้เวลากับลูกนะ เคยถามโจรสูร้เปล่าว่าเราจะอยู่ทันสิบปีข้างหน้ามีพิธีกรรายการโทรทัศน์หนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะเมื่อสิบกว่า ป, ปีที่แล้วเมื่อตอนนั้นแกจบมาจากอเมริกาแล้วก็จับพัดจับูมาเข้าสู่วงการโทรทัศน์วงการบันเทิงโหวเงินเข้ามาเอ้ยงานเข้ามาเยอะมากก็เลยทําทํางานถือว่าถือว่าเป็นโอกาสไม่ควรจะปล่อยให้โอกาสทองหลุดไปให้แกต้ตั้งเปา้าว่าเนี่ย จะทํามิ้สักยี่สิบปีแล้วที่เหลือเนี่ยจะให้เวลาสักครอบครัวแต่แกทําไปได้สิบแกทำได้แค่สิบปีนั้นแกก็เป็นมะเร็งแล้วมะเร็งเนี่ยรักษาเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ที่มีเนี่ยก็ไม่หายโอกายเป็นว่าสิบปีที่ตั้งใจว่ายี่สิบปีที่ตั้งใจตั้งใจว่าจะทำงานเต็มที่ก็ทํำไม่ได้แล้วความคิด ท, ที่ว่าจะความฝันควา ม, วามหวมังว่าจะได้มีเวลาในช่วงกลางช่วงท้ายชีวิตในการอยู่ครอบครัวก็ไม่สมเหตุ ถึงตอนนั้นเระบอกเลยนะว่าเนี่ยเค ย, เคยพูดว่าเนี่ยถ้ามีชีวิตได้มีชีวิตยืนยาวขอให้เวลาครอบครัวแต่ตอนนั้นก็การคนป่วยไม่ใช่หรอกถ้านนเราตั้หน้าว่าความตายสามารถจุดทึงเกิดขึ้นเราได้ตลอดเวลาเนี่ยนะเราจะไม่ไม่โมพัดผ่อนในเรื่องเหล่านี้เรื่องการปฏิบัติธรรมก็ดีการทำความดีและการให้เวลากับครอบครัวเช่นลูกเนี่ยเราจะไม่ขัมมดข้องง่ายๆเพราะเรารู้ว่า เราตายได้ทุกมมันมีพระสิทธิทเบดบอกนะว่าไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วค่อย ม, มีชาติหน้าชาวหลายคนเนี่ยคนจากวันนี้ไปก็ชาติหน้านมีคนประมาณแสนห้าหมืนคนนะวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาแต่เขาไม่รู้ใจนะวันจะมาสุดท้ายส่วนใหญ่ทั้งโลกนะ ประมาณสายหน้าเหมือนนคนที่กลัวสุดท้ายของเขาคนจากวันนี้ไปคือชาตินานแล้วเราก็ไม่รู้กันแน่ว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสนท่าหรือเปล่าสมาร์กไม่ใช่ชาตเป็นหนึ่งในแสนท่าหรือเปล่าไอ้กรรมพรนักเสี่มันเตือนว่าความตายเกิดขึ้นกับอะไรได้งหมดวันนั้นเนี่ยสิ่งดีๆที่ครทำเนี่ยอย่าผัดผ่อนฉั้นประโยชน์ขอ้องหลังเจรมาณนักมรนัสี่ส น, นะในเรื่องของการช่วยเกิดชีวิตที่ดีขึ้นหนึ่ง มันช่วยทําให้เราผลขวไสในสิ่งที่เราชอบครอครองอันนี้พูดสําหรับคนที่รู้ว่าอะไรดีแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าเห็นว่าเอาไว้ทําวันหลังกับพ่อแม่ก็เอาไว้ทําวันหลังตอนนี้ขอทํางานก่อนตอนนี้ขอเที่ยวก่อนอันนี้ประมานทะมีคนนึงนะอายายป่วยชายหนุ่มวนนี้แกอยู่กรุงเทพนะ ได้เขาจะเปลีมาสองสาวันละทนี่จริงใช่เปลี่ยนมาเป็นอาทิตย์นะเสาที่แกไเลยไปเยี่ยมยายแต่ว่าวันที่ไปถึงเนี่ยนะมันก็ประมาณเย็นแล้วนะแทนที่แกจะเดินไปหายายตรงไปหายายเดินปากปากซอยเนี่ยของบ้านยายเนี่ยเป็นบ้านเพื่อนไม่ได้เจอกันนาน ก็เลยไปสามสรรค์ส <may mesan you Monsieur> ังสรรค์กันท่องคืนเลยนะกะว่าเดี๋ยวผูุ้่งนีชาจะไปเยี่ยมยายแล้วกันยายผมไม่รีบไปหรอกเพราะว่าคิดคาดนะยายเนี่ยตายคืนนั้นมันจะเสียใจมากยยายนี่ก็เลี้ยงกันมาแล้วก็แกก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับยายยายป่วยเนี่ยแกที่จะมาเยี่ยมยายเลยนั้ก็มามันกันนั้นแต่ประมาทอันนี้เรียกว่า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 มันช่วยทําให้เราปล่อยวางในสิ่งที่ช็อตยึดติดที่จริงสองข้อนี้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ของการช่วยให้ตายดีนะเพราะว่าเวลาเราเจอรมอ น, นัตสติเนี่ยนะแล้วเราทํำบ่อยๆเนี่ยบางครั้งเราเจอรมอ น, นัตสติแล้วเราสึกนึกถึงแม่แล้วเราเสียใจึกคุณพอแล้วเราร้องไห้เพราะว่ามันจะไปเยี่ยมท่านเลยนี่เราจะตายได้หรือนี่นหลายคนจะรู้สึกงี่เนงะ่ะมันม ถ้าเจริญรแล้วจริงๆนะพอพอทําเสร็จนะว่ารุ่งขึ้นนะจะเกิดความตื่นตัวเห็นความจําเป็นในการที่ต้องไปเยี่ยมท่านต้องรีบไปแล้วถ้าเราเกิดรีบเท่าเกิดเราเําทำนะจนกระทั่งไม่มีอะไรที่ขาดใจนะถึงเวลาตายก็าตายชิ่งไม่ใช่ว่าเวลาจะตายก็มันมเสียดายว่าเราไม่มีเวลาไปดูแลแม่หรือไม่มีเวลาดูแลพ่อตัวต้องสิดชีอันนี้ก็ทําให้ตายไม่ดีนะ เมืเ่เกิดสมาพุการตายไม่ดีเนี่ยเกิดเพความกลัวสองความโกรธและอะไรอีกอันคือความสุขิทธิความสุขิทเกิดจากการเกิดขึ้นการที่เราละเลยเราผัดผ่อนในสิ่งที่ควรทาแต่ถ้าเราเจอรมนัสสติเนี่ยมันทาให้เราผลขวายจะตื่นรุนละมุนไม่ผัดผ่อนอะไรได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดเราทําแล้วจูๆ่ๆตายทันทีเลยเนี่ย ก็ไม่ควรใหต้องเสียใจแต่ถ้าเกิดไม่ตายนเราก็มีความหมายมันก็มีประโยชน์อยู่เพราะว่ามันทําให้ความสัมพันธ์เราในครอบครัวดีขึ้นทําให้การมีชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นอันนี้เรื่องการผลประโยชน่งที่อวอดอ่อนประการที่สองเนี่ยปล่อยวางในสิ่งที่ชอบยิดติดอย่างที่จะมาบอกกนะ็คือคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรา เวลาเราจะรเรามองน่ะสติเราจะรู้เลยนะว่าเราติดตรงไหนเราติดเรื่องลูกเราติดเรื่องพอ่อเราติดเรื่องทรัพย์สมบัติติดเรื่องงานในด้านหนึ่งก็ต้องรีบจัดการแต่ในด้านหนึ่งก็ต้องตระหนักว่าหาจะต้องไปจริงๆก็พร้อมจะปล่อยวางและการปล่อยเนี่ยปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ปล่อยวางเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรารู้สิ่งที่เราหรักเท่านั้นนะเช่น เหมือเช่นพ่อแม่ลูกหลานคนรักผู้ครองหรือทรัพย์สมบัติมันมีสิ่งที่เรายึดอยู่ บ, บ่อยๆฉะนั้นที่มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเลยมันให้ความทุกข์กับเราด้วยซ้ําคนเราไม่ยึดเฉพาะสิ่งให้ความสุขกับเราเนะท่านั้นเท่านั้นนะสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ยึดนะเช่นอะไรบ้างความโกรธความเศร้าความเสียใจ เวลาโกรธเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่อยากปล่อยวางอยากจะอยากจะเก็บมันเอาไว้เวลาเศร้าเนี่ยนะเราอยากจมอยู่ในความเศร้าเวลาเศร้าเราอยากฟังเพลง่ะเพลงสนุกมั้ก็เพลงอะ่รเพลงเศร้าใช่หมก็คือน่คือเราหวงแหนความเศร้าไว้เนี่ยเราไม่อยากปล่อยความเศร้าไปเวลาเราโกรธเนี่ยนะเราก็จะคิดถึงคนที่เราโกรธ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 ผิดหวังล้มเหลวไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำให้นะทุกข์นะทีถ้าเกิดเจริญร้อนนักสติเนี่ยมันจะตุ้นเตือนให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญการปล่อยวางเราจะตระหนักว่าถ้าเรายังมีอารมณ์แบบนี้อยู่เราจะตายไม่สงบนะเพราะนั่นต้องฝึกปล่อยความตัวก็ทำให้ตายไม่สงบความ ความเพลีก็ทำให้ตายไม่ส ม, มคามสุขก็ทตาไมสมบแถไปอภัยด้วยนาอเมริกาทีวีนะในพระไตรปิฎกเล่านาเมริกาทีวนะีเนี่ยเป็นมียศีพระเจ้าประสทโกศเป็นคนที่่วนเนีระเ้าประสิทธิโกศในานมาสนใจเรื่องการทาบุญทำบุญศน์ทมาศทานในพระสนทไตรและจูๆ่ๆนาวเมริกาทีวีก็ตายตตายเร็ ตอนที่จะตายในอเมริกาทีวีนี่แกนึ่ถึงอะไรจนนึกถึงาการที่แกได้ไปโกหกพระเจเสนที่โกส่ในเรื่องเรื่องที่น่าอับอายโกหกสำเร็จนะแต่ว่ามาเสียใจตอนจะตายรู้สึกผิดมากจิตใจเศร้าหมองเพราะว่าได้ทำสาวว่าตายพุ่งนี้ไปไหนนะไปอบายเป็นนรกเลยเจ็ดวันอความดทีที่จะทำเอาไว้เนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไมหยุดผลนั้นมีผ ล, ผลแต่ว่าอาันกรรมหรือหรือทเทเลจิตสุดท้ายเนี่ยกรรมทํากรรมได้ไม่ก็่ตามบวกหรือลบเนี่ยมันจะส่งผลก่อนเป็นประการแรกถ้ากรรมเป็นอคุศมหรือว่าเดเพราะว่จิตที่เป็นอคุศลก็ทําให้ไปาวางถ้าจิตเป็อุศลก็ไปสุปตินาฬิกาทีวีแก่มีความรู้สึกจิตแล้วปล่อยวางไม่ได้ ไประบายแะคจากความดีที่ได้ทำไว้เนี่ยก็หนุนส่งให้หลังจากนั้นเจ็ดวันก็ได้ ไ, ได้ขึ้นสูน่อ่าไม่แล้วเนี่ยเรื่องการปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติดเนี่ยมันสำคัญมากทีเดียวหลายคนมีความกลัวและยคนมีความเศร้าเนี่ยถ้าเจริญนอนัสเตะนะมันช่วยนะ ซีจ๊อฟเนี่ยก็เคยบอกซีจ๊อฟก็เป็นโรคก็เป็นมะเร็งตับอ่อนเขเคยบอกว่าเขาเคยไปสยแสดงกระดาษที่มาเลเซียมากอ่อตอนนั้นเขบอกว่าเขาพูถึงตัวเองว่าเขากําลังจะตายเมื่อไร่แล้วเขาพูดถประสบการณ์ว่าเวลาที่ถึงความตายเนี่ยมันมีประโยชน่ ย, ยังไงก็บอกว่าไอ้ความหวังความภาพภูมิใจความกลัวหน้าแตกตัวผิดหวังเนี่ยไอ้พวกนี้มันมาลายหายไปในทีเลยเวลาที่ถึงความตาย คือปล่อยวางได้ง่ายมากเลยนะเวลาถึงความตายไใ้เวลาที่พวกเราได้ถึงความตายเราจะเศร้าเราจะเสียใจที่ล้มเหลวที่งานไม่สําเร็จแล้วรู้สึกโผลการที่เราล้มเหลวที่มันน่าแตเ่เสียหายมากเพราะว่ามันหายก็ไปเลยนะเวลาถึงความตายเพราะสิ่งเหล่านี้เกี่เรื่องจิตใจทันทีเมื่อถึงความตายถูกเพื่อนดา่าโมโหฉุนเฉียวทลาะ ก, กับแฟนมาโกรธมากเลย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 ก็คือมันช่วยทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นคนเราเนี่ยคนเสียน่ทวั น, นี้ไม่เค่อยมีความสุขเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าสิ่งที่ที่ตัวเองมีไปอยากได้สิ่งที่ตัวเองยังไม่มีความทุ่มคนสมัยนี้เป็นอย่างนี้นะไอสิ่งที่มีเนี่ยไม่ค่อยได้ชื่นชมมันเท่าไหร่หรอกไปโมแต่จดจ่อสิ่งที่ยังไม่มี มีเงินร้อยล้านก็ยังทุกข์เพราะว่าคนเก็ได้สามสี่ร้อยล้านคนหนึ่งก็มีรถคันใหญ่เรายังไม่มีก็ทุกข์ทั้งที่เราก็มีเยอะแล้วเด็กเนี่ยนะก็มีอะไรต่ออะไรมากมายนะทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กขนมกล้องแต่เด็กก็ยังทุกข์เพราะว่า เพื่อนมีไอโฟนเรายังไม่มี i อโฟนเแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คนเราเนี่ยอ่น ม, มาเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีนะอ่านมาชื่นชมสิ่งที่เรามีเนี่ยเราจะมีความสุขจริ ง, งมากมรักสติช่วยทัง้งหมนี้เมื่อเราตระหนักว่าสิ่งที่เรามีวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้เวลาเรานึกถึงว่าอะไรต้องไม่มีสิ่งเราจะสูญเสียสิ่งนั้นไปเนี่ย ในวันหน้าเนี่ยเราจะเห็นคุณข่าวสิ่งทรามารย์ยกตัวอย่างเช่นขอ ง, งนนะ่ายตาเราหลายคนไม่เคยได้ตระตนหนักต่อการที่เรามีตามองเห็นนะมีจมูกหายใจได้มีหูที่ยังได้ยินเสียงเนี่ยมันเป็นโชคอย่างไรบ้างการที่เราเดินเหินมาฟังที่นี่ได้เนี่ยมันเป็นโชคย่างไรบ้างแต่สักวันลองคุณตาบอดสิลองคุณหูหนวกสนะิลองคุณเป็นใบ หรือว่าคุณที่การคุณไปทมพื้นเอาผ้าเดินไม่ได้คุณจะรู้สึกเลยนะว่าการที่คุณมีตามองเห็นมีหูที่ได้ยินนะมีตาามีมีมือมีม้าที่เป็นปกตินี่มันเป็นโชคแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเราไม่ตั้งนากแล้วลหายใจนี่มีค่าแค่ไหนเราสู้ดีที่มีลมหายใจแล้วลองคิดดูสักวันหนึ่งเราไม่มีลมหายใจ หรือว่าหายใจยไม่ค่อยได้เปิดแอร์ฮัมเกอร์อย่างคนป่วยที่เราติดนตามโมารงพยาบาลปาท้องผิวผิวว่าการต้องอยู่ได้ด้วยเครื่องคนที่ไม่คนที่ไม่เคยได้เห็นคนที่หายใจด้วยเครื่องนี้นะไม่รู้จะทรมาร์ทแค่ไหนเมื่อเมื่ตามที่เราบอกว่าเราสิ่งที่เรามีในวันนี้เนี่ยเราจะสูญเสียไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เรารู้สึกแล้ว่าโอ้ไอ้ที่เรามีทุกวันนี้เนี่ยพอแนละ้วมีความสุขแล้วนะไม่ต้องมีอะไรมากนะแค่สิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยยัไม่เสียไปก็มีความสุขนล้วความสุขมันจะง่ายขึ้นมีแม่บ้านคนหนึ่งก็บอกว่าทุกเย็นเนี่ยเมื่อสามีและลูกเนี่ยกลับถึงบ้านและกินข้าวพร้อมหนา้าคือว่าตัวมีความสุขแล้วแค่นี้ และเธอขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มีโอกาสแบบนี้พราะรก็เธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยลูกสามีจะได้เหนือกาสกินข้าพร้อมกบับเธอรูอเปล่อะรอะไรก็ไม่แน่ความสูงขงเธอจ้เป็นเรื่องง่ายมากเลยไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องมีรถหลายคันเพียงแค่ลูกสามีได้มา อยู่ขอมหน้าเราจะมีความสุขน่้จะมาเชื่อว่าเราก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นเมื่อเราตระหนักว่าเนี่ยเรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตยังมีอสุขภาพดีเรา จ, จะไม่รู้ได้วยซ้ำนะว่าคนที่เป็นมะเร็งคนที่เขาเจ็บป่วยที่โรงพยบาบาลเนี่ยเขาทรมานยังไงแต่ลองเราไปเห็นเขาเนี่ยแล้วเราลองจิตนกาการว่าถ้าเราเป็นเขาสักวันมันจะทระมานแค่น และตอนนั้นกลับมาดูกลับมามองกลับมาที่ตัวเรา่าตอนนี้เรายังไม่ปวดไม่ไข้เราเราจะรู้สึกขอบคุณความฝุ่มมันง่ายขึ้นเมื่อเราเจเริญบารมีสติในแง่นี้ประกสุดท้ายคือว่าเจเริญบารสติเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยให้ความสําคัญกับคนที่เราอยู่ต่อนหน้าเวลาเราอยู่กับใครแล้วเราจริงๆแล้ววันนี้เราต่อเขาวันพรุ่งนีกว่าจะไม่ได้เจอใคร เม่่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนร่วมงานถ้าเราลองคิดแบบนี้นะเราจะอ่อนโยนต่อเข้ามากขึ้นเราจะใส่ใจเขามากขึ้นเราจะไม่ทําตามอารมณ์แม่พ่อแม่จะว่าเราพ่อแม่จะพูดแรงๆกับเราแต่คิดหมัยว่าผู้ที่ท่านจะไม่อยู่กับเราเราจะไม่โกรธจะไม่สวาดหรือว่าดา่าที่กลางเราจะอดต้น ศิลปะในการมีชีวิตที่สัมคัญร่วมรื่องกับผู้คนเน่ะก็คือการคิดว่าสักวันว่าวันนี้เนี่ยคืออาจจะเป็นวันที่เราจเข้าใจได้อยู่กันเป็นคนสุดท้ายถ้าเราลองคิดแบบนี้นะเราจะเราจะเราเราบาแหวกกันน้อยลงเราจะทำตามมารวมน้อยลงเราจะใส่ใจมากขึ้นเราจะอ่อนโยนมากขึ้น แล้วมันทําให้ความสัมพันธ์รับรู้และไม่ชินมีความสุขความผิดพลาดหลายครั้งของน้องลเนี่ยเกิดขึ้นจา ก, การที่ไม่ได้ถนัดถึงความจริงว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้โดยมความตายมีพยาบาลคนึงเล่าว่าเจอสนิทกับน้องชายวัยรุ่นวันนึ่งเธอก็ไปทํามาณที่โรงพยาบาลตามปกติน้องชายก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลน้องชายก็ สนิทกับเธอมา ก, ก็เลยมาโ น, นยีกับเธอเธอก็ยุดงลำคังเพราะกำลังทํางานจู่ๆน้องชายก็พูดมาว่าที่ที่รับผมไหมเธอลำพังนั่นเอบอกกลับบ้านไปก่อปนปรากว่าน้องชายกลับบ้านแต่ไม่ถึงบ้านเจอมาที่เหตุการณ์แล้วอรู้ที่เธอเสียใจมาก คือลูกน้องตายก็เสียใจแต่ที่เสียใจอันหนึ่งที่หนักคืว่าเธอรู้สึกผิดที่ว่าเธอน่าจะพูดดีๆกับน้องชายถ้าเธอตอว่าใช่พี่ก็รั้น้องเธอรู้สึกรู้สึกผิดน้อยลงอย่างน้อยเนี่ยน้องชายตายด้วยความรู้สึกดีๆที่เธอได้ให้กับน้องชายแต่เธอไล่น้องชายไปเพราะอะไรเพราะเธอคิดว่าเดี๋ยวไปเคลือนที่บ้านก็ได้ มีอีกรายนึงนะเข้ามาเข้าคอร์สนะคอร์สนี้ก็เป็นการพูดถึงเรื่องของการปรับความสัมพันธ์วิทยาตอนก็ให้ให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยนะได้ลึกถึงคนที่ใกล้ตัวแต่มีความสัมพันธ์ที่เร า, เาห้องรแหงแล้วก็พยายามมองว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างเสร็จแล้วให้เขียนจดหมายถึงเขาขอบคุณเขาหลายคนจะเลือกคนใกล้ตัวเช่นแม <c oughs> พ่อพี่สาวน้องสาวน้องชายพี่ชายคนรักพี่ยังนี่แก่เขียนถึงพ่อที่เชิดก็ขอบคุณพ่อพูดถึงว่าพ่อนี่รักลูกยังไงบ้างตั้เล็เนี่ยพ่ออุมอ้มอุ้มดูกมาตั้งแต่เล็กคุณทราบซึ้งแต่ว่าตอนหลังเขโตทุกตระหองรแหงกันอันนี้วิทยกากรบอกว่าให้ทุกคน โทรัพไปบอกคนที่ตัวเขียนเลยนะเดี๋ยวนี้เลยนะหลายคนก็บเขินนะเพราะว่าไม่กล้าไม่เคยพูดดีๆกันมาตั้นานแต่แล้วคนทำต้องใช้ความกล้านะแต่เธอไม่ทําเธอไม่กล้าเธอบอกว่าเดี๋ยวอีกสองวันก็กลับบ้านแล้วให้เราพูดตอนนันกันแล้วหนึ่งว่ารุ่งขึ้นนะปรอกว่าได้ขาวว่าพอนะ แข็พอตาพ่อแกมีปัญหาเรื่อง d e ิเพ s สชันเป็นพวกซึมเศร้าเพราะเธอเสียใจมากเลยเพราะถ้าเธอโทรไปคืนนั้นนะพ่อคงอาจจะไม่ตายพ่อคงม้สุดดีหรือถึงพ่อถึงแม้พ่อทำเนี่ยเธอก็ยังสุดดีว่าเด็กน้อยก็ได้พูดความในใจให้พ่อก่อนที่พ่อจะละโลกนี้ไปในความแล้วเธอก็รู้สึกเสียใจรู้สึกผิด คามผิดความสิทธของมนุษย์เนี่ยนะหลายครั้งเหตุการที่เราประมาทเราปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปแล้วโอกาสทองคืออะโอกาสทองคือปัจจุบันทำดีกับคนที่เรารักเสียแต่เดือนนี้หรือว่าทำดีกับคนที่อยู่ตอนหน้าเราเสียแต่เดือนนี้เพราะอาจาไม่มีโอกาสแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยพอไม่มีโอกาสแล้วก็มาเสียใจ แต่ถ้าเกิด ว, ว่าเราทํานะเราใส่เราต้เราเราเราูรา้ถึงความตายว่าสามารถเกิดขึ้นกับเราก็ได้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติเข้าบอกว่าเรากับเขาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเป็นมาสุดท้ายไม่ทําให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอ่อนโยนแล้วทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นนั่นเนี่ยเร า, า, าทุกวันทุกวันเนี่ยบ่อนักเสเนี่ยมันไม่ได้เสพที่น่าเชื่อไม่ตายดีเท่านั้น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 ไม่จะเป็นการปฏิบัติธรรมก็ดีการให้เวลาครอบครัวก็ดีการดูแลพ่อแม่ก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขนะมีชีวิตที่ราบรื่นปร่งสื่อกับผู้คนที่เป็นคนที่เรารักหลังการที่เราเรจ่มปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติดเนี่ยมันก็ทำให้เรานะไม่ต้องทุกกับความสูญเสียซึ่งมันเป็นธรรมดาของชีวิตสูญเสียในที่สูญเสียทรัพย์สินนะหรือว่าเมื่อทุกกับความของระแหงความโกรธพอเราเริ่มปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้น มันทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นเพราะเราได้เห็นคือกล้าสิ่ต่างๆและการที่เราเหนู้ลาของสิ่งต่างๆเพราะเรารู้ว่าสักวันมันต้องจากไปมันทำให้เราเนี่ยใส่ใจผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเราได้ง่ายขึ้นที่ถามว่าจ ะ, จ ะ, จะเจริญมรัสติอย่างไรก็จะสุดท้ายวิธีการง่ายๆที่ท ที่มันนิยมทําก็คือว่าเจริญรสนิสติตอนนอนนะเช่นสมมุติว่าคืนนี้เป็นคืนที่ตัวเองจะต้องตายเป็นคืนสุดท้ายตัวเองนอนหลับกับคืนแล้วก็พิจารณาว่าจะต้องจากรูกไปต้องจากพ่อแม่ไปยะต้องจากงานการชอบสมบัติไปจะไม่มีเหลื อ, เ ล, อเลยแล้วทำตัวตกลง การลึกแบบนี้เนี่ยนะใหมายจะทํายากเพราะว่าใจมันจะผืนใจมนจะตั้งแต่ถ้าเราเระลึกเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแล้วมันทําให้เราเนี่ยอันไหนที่เราติดขันเราก็ต้องขันจะยาาวไปแก้ขันนะอันนี้เราซ้อมตายซ้อมตายก่อนนอนท่องทกขก็ซ้อมตายอย่างง่ายคือว่ามองว่าตัวเองนึกถึงงานนึกถึงงานศพของตัวเอง ถึงตัวเองว่าอยู่ในอยู่ในโลงอยู่ในหีบศพนะแล้วก็มีในงานศพก็มีคนมาเน่ากล่าวปุดนตัวเองอยากให้เขากล่าวตัวแบบไหนหรือว่าเห็นตัวเองเนี่ยเพื่อค่อยเน่ากลื่อยไปอันนี้ก็ต้องติดแข็งเลยนะเพราเห็นตัวเองเองนี่ยมันกจากร่างกายที่เคยอ่อนนุ่มนะมันก็เริ่มแข็ง นะที่เคยอุ่นก็กลับเป็นเย็นนะที่เคยกระดิกกระเดีย้ยได้ก็กระดิกกระเดียไม่ได้แล้วที่เคยสวยก็เริ่มนะค่อยนะค่อยเสื่อมจนกระทั่งกลายเป็นบวม อ, อืดแล้วก็เน่าหลายคนอาจารย์ทั้นี้มันแรงไปแต่ว่ า, าน้อยเนี่ยเอาก็เแบบว่าถ้าเกิดเราต้องตายเนี่ยอิทธิธรรพูดสอนแรงมันถ้าเกิต้องตายเนี่ยเราต้องรักจากที่สิ่งที่อย่างไป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 อันนี้หลายคนก็ทําได้นะจะวางใจอย่างไรเช่นจะอยู่กับลมหายใจจะสวดมนต์จะนึกถึงพระรัตนตรยัยจะนึกถึงหลวงพ่อโสธรหรืหอว่าจะนึกถึงครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นหรือว่าหลวงพ่อท็อกหลวงหลวงปู่ทวดอะไรก็ว่าไปนะซ้อนมาไว้สอนมาไว้เวลามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยจิตมันก็จะได้อเอรารึกถึงได้วัน อาจจะเช็คด้ ว, ว่าเออเรามีอะไรค้างคากับพ่อแม่กับลูนไหมเช่นนึกถึงหน้ารูกนึกถึงหน้าพ่อแม่ท่านึกถึงแล้วคือเฉยเฉยก็แสดงว่าเราไม่มีอะไรที่ติดเราถือเราปล่อยวางได้เราทาหน้าที่ครบถ้สมบูรณ์เวลาไปไปโรงพยาบาลเนี่ยนะก็ลองนึกว่าเออคนที่กำลงนอนอยู่บนเตียงเนี่ยสักวันอาจจะเป็นเรามีสายรโยงระยะเยอะแยะ นอนติดเตียงไม่สมามารถหายใจตัวเองได้ต้องอาศัยเครื่องนะต้องหายใจตามเครื่องมีท่อสอดเข้าไปในปากนะมีมือที่ถูกมัดถามใจถึงว่าเราพร้อมหรือยังนะที่จะอยู่ในสภาพนี้อย่าลืมนะครเก้าสิบปอร์เซ็นตของคนสมยใหม่เนี่ย จะตายแบบช้าๆไม่ได้ตายแบบทันทีไม่ได้ตายแบบทันทีเช่นหัวใจหยุดเต้นหรืออุบติเหตุหรือว่าภัยธรรมชาติ 90% จะตายแบบช้าตายแบบโรคตายด้วยโรคเรื้อรังะซึ่งมักจะหนีนน้ไม่พ้น4โรคนะโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานไตวายเดี๋ยวนี้ก็มีอันขที่ห้าคือโรคดอกเลือสมองหรือเลือดสมองแตกเป็นผัก อันนี้ไม่พูดถึงอัลไซเมอร์นะฮะอัลไซเมอร์นี่ก็โชว์ดินะ่ยคือไม่รับรู้อะไรแล้วแต่ตอนที่รับรู้เนี่ยคือไอ้โรคเนี่ย45โลคนี้นะเราพร้อมไหมอย่างที่จะปะเผชิญกับมันใจเราพร้อมไหมหลายคนเนี่ยนะแค่แค่แก่และอยู่บ้านเนี่ยคนเดียวก็ทำไม่ไหวเราจะมาเจอเมืนเน่อคนแก่ที่เคยทำงานกระฉับประเฉงเคยเที่ยวนะ พออยู่บ้านก็อชราอายุ80ทําอะไรไม่ไรก็สับปะสายมากนะพ่อไม่เคยได้ทำนะพ่อไม่ได้ทํางานที่ตัวเองชอบหรือไม่ได้เที่ยวอย่างที่ตัวเองมีที่อันนี้อาจจะหวงนะะเพราะว่าแซงไม่เคยเตรียมเลยแล้วขนาดร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยนะเพียงแค่ว่าไม่ได้ทํางานหรือไม่ได้เที่ยวนี่ยังกระสับกระสายขนาดนี้แล้วท้อนอนติดเทียงนี่แล้วก็มีทุกเวทนานี่จะไหวเลยนะะ เรเราพิจารณาเนี้มันก็ทำให้เราต้องเห็นความสำคัญการเตรียมมือ เ, เตรียมตัวเตรียมใจไม่ใช่แค่เตรียมเฉพาะที่ในกรรมหรือประกันภัยเวลาการกระทนักสอญญาณกิ จ, จายยานนการเวลาเราดูข่าวนะทั้งไทยรัดก็ดีโทรทัศน์ก็ดีโดยเฉพา ะ, ะข่าวเวลามีอุบติเหตุแผ่นดินไววภัยธรรมชาติ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 เราทำใจถ้าทำใจทำใจไม่ได้แล้วจะฝึกอย่างไรถามตัวเองอันนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราไม่ประมาทข่าวที่เราฟังจะกลายเป็นธรรมะทันทีเพราะมันเตือนให้เราไม่ประมาทเวลาเกิดเหตุเช่นเงินหายโทรศัพท์หายหรือว่าถูกโกงเงิ น, นหลายคนก็ทุกข์นะ แต่ลองมองอย่างนี้เสร็วว่าเออนี่เข้ามาเป็นสัญญาณเตือนนะว่าวันนี้หายตรงนี้ต่อไปจะหายหนักวรง น, นี้อั น, นจริงๆล้วสวรรค์นี้ต้องเกิดขึน้นนะเพราะถึงเวลาเราตายใช่ไหยฮนะมีร้อยล้านก็หมดร้อยล้านมีพันล้านก็หมดพันล้านมันไม่ใช่แค่แต่ไอ้แค่โทรศัพท์หายเงินถูกโกงจะเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะมันจิ๊บจอยนะข้อนี้ข้อที่หนึ่งขนะ้อที่สองคือมันเป็นสัญญาณเตือนว่าวันหน้าจะเจอหนักวรง น, นี้ ถ้าตอนนี้ยังทําใจไม่ได้แล้ววันหน้านจะทำใจการทำใจแบบนี้อืมบ้างเวลาคิดแบบนี้มันทําให้เราเนี่ยจะเรียนรู้เออทางานจะปล่อยวางใอ้เหตุการณ์นี้ให้ได้เพราะถ้าเราปล่อยวางเหตุการณ์นี้ไม่ได้เนี่ยวันหน้าเราเจอหนักแบบนี้เราก็ก็เสร็จสิ่งมันการของดีไปนะเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยดึงมาเป็นการเตือนให้เราเรารู้ถึงความไม่เที่ยงความสูญเสีย เที่ยที่เป็นธรรมดาของชีวิตและจะหนักขึ้ น, นเรื่อยๆสองมันเป็นแบบสิขหัพให้เราได้ดปล่อยวางมีประโยชน์นะฮะสอนสัจธรรมให้กับเราเดินหายถูโกงและสองเป็นการบ้านสุดใจาทั้งสอนใจทั้งสุดใจเรานะแล้วก็เตือนให้เราเราีรู้ถึงบรอนสติด้วย นั้นเจนเรียกว่าการเจริญร้อนสติให้มันทําทได้ได้ตลอดเวลาและแม่สามารถใช้การนำกลัมาเป็นอุปกรณ์สอนหรือเตือนใจให้เรารู้ถึงร้อนสติได้และถ้าเกิดว่าเราเจริญร้อนสติบ่อยๆแล้วก็พยายามพยายามใช้ประโยชน์จากการเจริญร้อนสติเช่นมันทําดีมันทาบุญทํากุศลปฏิบัติธรรมมากขึ้นเนระียนรู้จากการปล่อยวาง เมื่อถึงวันที่เราตายเนี่ยการตายจะไป็นเรื่องง่ายมากขึ้นอาตอมาประทับใจผู้หญิงคนหนึ่งนะเอะไม่ใช่พีดให้เล่าผู้หญิงคนนี้นะแตงเทินคนเล่าทุกช้าตื่นมาตีห้าเนี่ยเธอก็จะเห็นแม่กับยายเนี่ยอยู่ในห้องครัวเธอตื่มาตีห้เนี่ยเพื่อจะไปทํางานครับคุณคนเช้าวันตื่นมาเป็นเช้าตื่นมาในเช้าเพื่อไปทำงานแม่กับยายเนี่ยทําครัว เพื่อจะอยามาใส่บาตรพรทุกวันไม่มีถาดไม่มีว้นเสาร์อาทิตย์ก็ใส่แต่เธอไม่ได้ใส่เพราะเธอต้องไปทำงานวันหนึ่งตื่นมาจะไปทำงานเห็นแต่แม่ยายไม่เห็นก็ เ, เลยถามแม่ว่ายายไปไหนยายอยู่ในห้องเธอก็ไปเรียกยายหน้าห้องยายวันนี้ไม่ม า, มมามใส่บาตรเลย ก็มีสิงหยาดตอบมาว่าไม่ใส่นะวันนี้ยายจะนั่งสมบุสมบแล้วก็นั่งสมาธิเธาก็ไม่เอกใจเลยที่เธอจะถามต่อว่ายายจะเอาอะไรไหมยววายวอกไม่เอาอะไรแลยเธอก็ไปสายแล้วเนี่ยยายก็ยไม่ออกมาแม่ซึ่งเป็นลูกของยายเนี่ยก็เลยไปที่หน้าประตูไม่มีเสียงเปิดประตูเข้าไปก็เห็นยายเนี่ยหรือแม่ตัวเนี่ยนั่งร่ปขาวของขา ว, ขาวทิงเสาในท่านั่ ง, งสมาธิ ใ น, ในท่านในท่านนั่งสมาธิข้างหน้าก็มีร่องรอยของการจุตทุกเทียนนะเรียกก็ไม่ตอบก็เลยก็เลยแตะตัวยายแล้วกว็ยายนี่ก็ล้มล่างนี่นอนไปกองกับพื้นเลยหมดลมไปนะอาจจะหมดลมไปทั้งชั่วโมงต้อนะงถามคือว่ายายรู้ไหมว่าวัานนี้คือเอาสุดท้ายของยายยายจะรู้นะไม่งั้นเนี่ยยายต้องใส่บาต แล้วยายรู้ว่าเป็นวันสุดท้ายทำไมยายไม่บอกไม่บอกลูกไม่บอกหลานเพราพดีคนเราจะตายต้องบอกลูกบอกหลานสังเเสียใช่ไหมก็ผมพ่อมีอะไรสังเสียแล้วอะไรที่ควรทําอะไรที่ควร บ, บอกบอกหมดแล้วนะ่มถึงเวลาตายก็ขอตายคนเดียวปิพม่อมจะตายคนเดียวต่อหน้าพ่อคุณลูกเพราะนราจนับใรเห็นนะเป็นการตายที่เป็นการตายที่ที่ทสงบมากแล้วก็สวยงามมาก คนที่นั่งตายแบบนี้เนี่ยเคยได้ยินว่ามันมีแต่สมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็ยังมีนั่งตายไม่ใช่พระนั่งเป็นบุญจะทํานี้ได้เนี่ยสมาเชื่อว่าเนี่ยต้องเกิดจากการที่ได้ทําบุญมาสม่ำเสมอแล้วทาความดีรวมทั้งทําหน้าที่ต่อต่อลูกต่อหลานแล้วก็สำคัญคือปล่อยวางด้วยคนที่ปล่อยว า, ยางแบบนี้ได้คือถึงเวันตายก็ไม่ตื่นสนกนะขอไป ไปนั่งตายในห้องอันนี้เรียกว่าไม่กลัวความตายพร้อมรับความตายไม่เห็นความตายไป็นัตรูจะทำางังไได้ก็มีการเรียนะนนะอาจจะปฏิบัติทำมันด้ซ้ำต้องปฏิบัติทำมันแน่นอนรวมทั้งการสุดปล่อยวางด้วยลูกสาวหลานสาวเนี่ยมารู้ว่ายายตายนี่ก็ต้องรับเสายเมื่อมาทบทวนเหตุการณ์ก็เลยเข้าใจเลยนะที่ ที่อาบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าดูมหลานไม่ต้องซื้ออะไรมานะหมายถึงว่ายายพร้อมจะปล่อยวางไม่เอาอะไรแล้วก็ <c oughs> วเป็นการตายที่ที่ที่สงบแล้วก็สวยงามมาก็นเลยนะ่อ้นความตายไม่น่ากลัวมันอยู่ที่ว่าเตรียมพร้อมแค่ไหนและตมาชื่อว่าคุณยา ย, ยคุณจเจริญร้อนนักสติเป็ น, ปนจําอีกคนหนึ่งนะที่อาจา เอประทับใจนะอชื่อคุณยิงณย่งใหญ่ในวงธรรมสาสรคุณยิ่งใหญ่เนี่ยนะเพิ่มเป็นที่รู้จักนะว่าเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องธรมมม ร, ธรมมาธรรมมาวิมะปฏิบัติแต่ก่อนเนี่ยเมื่อสามสิบปีที่แล้วคนจะคิดว่าอาจารย์ ม, มั่นเนี่ยเขียนนะพีมกันใหญ่เลยนะฝันหลังเพิ่งมาเปิดเผยว่าคุณยิ่งใหญ่เนี่ยเขียนไม่ใช่กาจรมั่นนะยิ่งใหญ่นี่เป็น เป็นลูกเสนาบดีนะแต่ว่าเป็นผู้ที่ฝ่ายธรรมมากเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระปโรหิตศาจารย์วัตเทศรินสมเด็จองค์นี้น่าสนใจมากมีลูกศิษย์ที่เก่งเยอะมากเป็นคาราวาทั้งท่ทนานหนึ่งพระมุนแมอยู่วัตเทศซินท่านเก่งเรื่องปริยัติและปฏิบัติด้วยอตอนหลังเนี่ยตอนอายุสักห้าสิบสามหรือสี่มั้งสามีเสียชีวิตกัเลยบวช วแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นแม่ชีแล้วก็อายุสักห้าสิบปีก็ป่วยมาป่วยหนำนิจใจก็สงบนะวันหนึ่งหมอก็มาตรวจตอนที่อาการแย่หมอก็พูดว่าเนี่ยยังอยู่ได้อีนานแม่ชีบอกคุณหมอไม่ต้องมาปลอบฉันคือ ร, รู้ดีรู้ตัวเองว่าว่าอาการหนักนะแล้วก็วันนั้นหรือสองวันต่อมานะี่ก็รั่วแย่ ก็บอกเด็กให้เป็นนิมนต์พระมาะนิมนต์พระที่รู้จักนิมนต์มาทําไมนิมนต์มาให้สวดแต่ส่วนบนไหนนี่ท่านสัง่งเลยนะส่วนบนไหนบอกให้พระบอกให้พระสวด น, นะนะพระสวดเสร็จนะก็สนทนาธรรมสนธนาธรรมสักครู่เนี่ยคุณยียก็บอกว่าก็ตกราบแล้วก็จ บ, จบการสนธน า, นาแล้วก็กราบรอหที่กราบเนี่ยบอกว่าก็บอกว่าขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่ กราบสามทีนะแล้วก็นิ่งเลยตายนะโ้เป็นการตายที่สงบนะตายในท่ากราบนะแล้วก็พระนี่ยังไม่รู้เลยนะเห็นกราบแล้วเห็นนิ่งเลยเพียงสงสัยทาไมนิ่งพอรู้ว่าตายหมดลงเพียงพูดเลยว่าเอานี่ตายจริงๆแล้วหรือเนี่ย <c oughs> มีที่ไหนตายในท่ากราบ่ไ นี่คารว่านะัะคือเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องปฏิบัติธรรมหนุนการเจรมังสวิรุติรู้คือรู้ตัวจนกระทั่ง น, นาทีสุดวินาทีสุดท้ายนะีะกราบเสร็จไปเลยนะก่อนกราบยังบอกในชะ่ไหมขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่แม่ใหญ่ว hmm. ่าความตายมันไม่น่ากลัวนะและ้วโดยถ้าเราเจริมังสวิเป็นประจำเนี่ยเราจะความสามารถในการที่เราจะเผชิญความตายสมมุติ้อจะก็จะมากขึ้น และการตายของเราจะเป็นการตายที่สวยงานก็นด้แล้วก็ขอสุข เ, เวลายอมสุขใจกันยัน